เริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสอุบาสิกาผู้ฝ่ายธรรมทุกทกทา่านวันนี้เป็นวันที่หนึ่งวันสี้เดือนมิถุนายนพุทธศักราชสองพันห้ารอยห้าสิบกเป็นวันพระวันธรรมสนะันาวันฝังธรรม วันที่สาธุชนได้ตั้งใจเข้ามาวัดเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของพุทธศาสานิกชนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบอให้ปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญเพื่อความดับของความทุกข์ทั้งหลายด้วยศรัทธาความเชื่อในการตัดสิรูของพระพุทธเจ้าว่าทรง เป็นผู้หลัสรรเห็นทานที่จะนำผู้ปฏิบัติไปสู่ความสุขความเจริญไปสู่ความหมดพ้นจากความทุกข์ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาเป็นผู้บอกทางพวกเราก็จะไม่มีวันที่จะเห็นทานออกจากความทุกข์ทั้งหลายได้ เห็นทางที่นำไปสู่ความสุขความเจริญได้เพราะจิตใจของสันโลกทั้งหลายยังมืดบอดอยู่นั่นเองถ้าเปรียกก็เปรียบเทียบ ก, ก็เป็นเหมือนกับคนตาบอดผู้ที่ตัดสรูเช่นพระพุทธเจ้านี้เป็นเหมือนกับคนตาดีคนตาดีย่อมเห็นทางคนตาบอดย่อมไม่เห็นทาง คนตาบอดจะไปถึงทางที่จุดหมายปลายทางที่ตนเองต้องการจะไปได้ก็จำเป็นจะต้องมีคนตาดีคอยบอกทางพระพุทธศาสนาคือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นองค์แทนของพระพุทธเจ้าดังที่ทรงจัดไว้ว่าธรรมวินัย ที่ตถาคตได้ตัดไว้ชอบแล้วนี่แหละจะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไปก็คือจะเป็นครูเป็นศาสดาทำหน้าที่แทนพระพุทธเจ้านำพาผู้ที่ปรารถนาหลุดพ้นจากความทุกข์ผู้ที่ปรารถนาจะพบกับความสุขความเจลิญที่ถาวร ก็จะต้องปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เองถ้าปฏิบัติแล้วผลก็จะปรากฏตามมาถ้าไม่ปฏิบัติถึงแม้ว่าจะมีศรัทธาความเชื่อความเชื่ออย่างเดียวยังไม่พอเพียงต่อการยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นความเชื่อเป็นจุดเริ่มต้น เพราะถ้าเราไม่มีความเชื่อเราก็จะไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพ่อขุตเจ้าพอเรามีความเชื่อแล้วเราก็ต้องปฏิบัติด้วยความขยันหมั่นเพียรไม่ท้อถอยไม่ท้อแท้มีความอดทนที่จะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆที่กีดขวางกั้น ผลสเร็จที่จะตามมาขอให้เราเ ล, ลึกถึงพระพุทธเจ้าและพาาาระอรหันตสาวกทั้งหลายเป็นแบบฉบับเป็นตัวอย่างขอให้เราคิดว่าพระพุทธเจ้ากับพาาาระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านก็เป็นเหมือนเรามาก่อนท่านก็เป็นผู้มีความมืดบอดมีความหลงมีความยากลาบากต่อการปฏิบัติ แต่เนื่องจากท่านมีศรัทธาความเชื่ออย่างแรงากล้าในการปฏิบัติว่าจะนำมาสึ้งผลที่จะทำให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้พบกับความสุขที่ถาวรต่อไปท่านจึงมีความมุกมานะมีความภาคเพียนปฏิบัติอย่างไม่ลดละไม่ท้อถอยจนในที่สุด ก็ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้พบกับความสุขที่ถาวรเราก็ต้องยึดแนวทางที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวุกทั้งหลายได้ํำเนินมาถ้าเรายึดแล้วรับรองได้ว่าเราจะสามารถปฏิบัติและบรรลุถึงผลที่เราต้องการได้อย่างแน่นอน ในเร้่งต้นหลังจากที่เรามีศรัทธาแล้วเราก็ต้องศึกษาทางที่จะนำไปสูงการปฏิบัติถ้าเราไม่รู้จากทางไม่รู้ว่าเราต้องปฏิบัติอะไรเราก็จะปฏิบัติไม่ถูกหรือไม่ปฏิบัติในสิ่งที่ควรปฏิบัติไปปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ ถ้าไม่ได้ศึกษาแนวทางก่อนก็จะไม่สามารถปฏิบัติเพื่อให้ได้บรรลุถึงผลที่ต้องการได้ดังนั้นก่อนที่เราจะปฏิบัติเราก็ต้องศึกษาก่อนว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัติอะไรกันบ้างสิ่งที่ท่านทรงสอนให้ปฏิบัติก็มีสามหัวข้อใหญ่ๆก็คือทาน ศีลภาวนานี่คือสิ่งที่เราต้องปฏิบัติกันการก็คือการแบ่งปันการเสียสละการให้สิ่งต่างๆที่เรามีเหลือกินเหลือใช้มีมากเกินความจำเป็นเกินความต้องการไม่ควรที่จะเก็บเอาไว้เพราะไม่เกิดประโยชน์ และนอกจากไม่เกิดประโยชน์แล้วยังเกิดโทษเพราะจะทำให้ใจต้องมาทุกข์กับสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆทุกข์ทั้งในขณะที่ดูแลรักษาทุกข์ทั้งในขณะที่ต้องจากไปการปฏิบัติของเราก็เพื่อดับความทุกข์ดังนั้นการกระทำอย่างไรอะไร ที่ทำให้เราเกิดความทุกข์ขึ้นมาเราก็ต้องไม่กระทาในสิ่งา น, านั้นๆความทุกข์ของเราก็เกิดจากการยึดติดในทรัพย์สม บ, บัติเข้าของเงินทองความทุกข์ที่เกิดจากการโลภอยากได้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองให้มีมากๆและความทุกข์ที่เกิดจากการใช้เงินใช้ทอง เพราะว่าเวลาใช้เงินใช้ทองก็จะติดเป็นนิสัยไปเวลาไม่มีเงินทองใช้เวลานั้นก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าไม่ติดนิดสัยกับการใช้เงินใช้ทองคือไม่ใช้เงินใช้ทองซื้อสินต่างๆที่ไม่จำเป็นไม่ใช้เงินใช้ทองเพื่อการบันเทิง ความสุขทางตาหูจหมูกนิ้งกายต่างๆเพราะเป็นความสุขปลอมเป็นความทุกข์มากกว่าเพราะถ้าได้เสกความสุขทางตาหูจหมูกนิ้งกายแล้วก็จะอยากจะเสกไปเรื่อยๆไม่ว่าจะได้เสกได้สัมผัสมากี่ครั้งมากมายเท่าไรก็ตาม ความสุขที่ได้นั้นจะหายไปหมดหลังจากที่ได้เสก จ, จะเหลือแต่ความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวจะเหลือแต่ความอยากจะเสกเพิ่มขึ้นไปอีกเรื่อยๆดังนั้นถ้าเราเสกความสุขด้วยการใช้เงินเราก็จะต้องวุ่นวายกับการหาเงินหาทองเวลาที่เงินทองหมดไม่มีเงินทองที่จะซื้อความสุข จากสิ่งต่างๆก็จะเกิดความทุกข์ใจวุ่นวายใจก็จะต้องออกไปหาเงินหาทองมาเสษก็จะต้องทุกกับการหาเงินหาทองนี่คือชีวิตของพวกเราที่เป็นอยู่กันทุกวันนี้เราคิดว่าเราหาความสุขกันด้วยการหาเงินหาทองด้วยการใช้เงินใช้ทองซื้อความสุขต่างๆ แต่แทนที่เราจะมีความสุขเรากลับมีความทุกข์เพราะจะต้องคอยหาเงินหาทองอยู่เรื่อยต้องคอยดูแลรักษาเงินทองแล้วก็ต้องมาเศา้าโศกเสียใจเวลาสูญเสียเงินทองไปนี่ไม่ใช่เป็นการหาความสุขเป็นการหาความทุกข์พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เรา ยุติการหาความสุขด้วยการใช้เงินทองซื้อความสุขต่างๆให้เอาเงินทองนี้มาแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นอันนี้จะทำให้เกิดความสุขที่แท้จริงเพราะเวลาที่เราได้ช่วยเหลือผู้อื่นเราจะมีความสุขใจอิ่มใจมีความพอใจมีความภูมิใจเราจะไม่อยาก ต้องการความสุขอย่างอื่นเพราะใจเราเกิดความอิ่มที่ได้จากการช่วยเหลือผู้แบ่งปันทรัพย์สมบัติข้างของเงินทองของเราให้แก่ผู้อื่นนี่คือการใช้เงินที่ถูกวิธีเป็นการใช้เงินที่จะสร้างความสุขที่แท้จริงความสุขที่จะให้ความอิ่มความพอนั่นเอง ความสุขที่ให้ความหิวความอยากเรียกว่าเป็นความสุขปลองเป็นความทุกข์เพราะเวลาเกิดความอยากแล้วใจจะอยู่ไม่เป็นสุขจะกระวนกังวายกระสับกระสายอย่างวันนี้ก็เป็นวันที่จะมีการออกหมายเลขชิงรางวัลกันผู้ที่อยากจะได้เงินได้ทองก็จะมีอาการกระสับกระสายกระวนกวาย ไม่รู้ว่าจะได้หรือจะเสียแต่คนที่ไม่สนใจกับการหาเงินหาทองด้วยการซื้อลอตเตอรี่ซื้อหวยก็จะไม่มีความทุกข์ไม่มีความกังวลกังวายแับมีความสุขเพราะว่าเอาเงินที่จะไปซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่อันนี้มาทำบุญ ทำดูแล้วใจก็จะเกิดความอิ่มเกินความพอนี่คือการให้ความสุขกับใจต้องให้ความอิ่มความพอไม่ใช่ให้ความหิวให้ความอยากทุกวันนี้เราไม่ได้ให้ความอิ่มความพอกับใจของเราด้วยการใช้เงินไปในทางที่ไม่ถูกเอาเงินไปซื้อความสุขต่างๆซื้อของที่เราอยากได้ ทั้งทงที่ไม่จำเป็นจะต้องมีซื้อสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือไปซื้อรูปเสียงกลิ่นรสผลพัฒนชนิดต่างๆเช่นไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไปดื่ไปรับประทานไปดูไปฟังเหล่านี้เป็นการซื้อความหิวซื้อความอยากไม่ใช่เป็นการซื้อความอิ่มความพอ เราจึงมีความหิวความอยากมาจนถึงบัด น, นี้และจะมีความหิวความอยากไปอีกนับวันไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราไม่เอาเงินมาทำให้ใจของเราอิ่มให้ใจของเราพอด้วยการแบ่งปันเช่นแทนที่เราจะเอาเงินไปซื้อรถเตรี เราก็เอาเงินมาทําบุญให้ทานให้กับใครก็ได้จะให้กับพระก็ได้ให้กับคารวะก็ได้ให้กับวัดก็ได้ให้กับโรงเรียนก็ได้ให้กับโรงพยาบาลก็ได้ให้กับองค์กรสาธารณกุศลต่างๆก็ได้ขอให้เราให้ไปเท่านั้นแหละเพื่อเราจะได้ไม่ต้องมา วุ่นวายกับการลบเลาของความหิวความอยากที่อยากจะให้เราเอาเงินนี้ไปซื้อความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ต่างๆนั่นเองพอเราทําบุญไปแล้วเราก็ไม่มีเงินที่จะไปเที่ยวไปซื้อความสุขต่างๆเราก็ไม่ต้องวุ่นวายเราเพราะว่าเราไม่มีความหิวความอยาก พราะเราได้ความอิ่มความพอจากการทำบุญให้ทานนี่เองทานนี้แปลว่าการให้บุญนี้แปลว่าความอิ่มความสุขใจพอเราให้ทานแล้วเราก็จะเกิดความอิ่มความสุขใจขึ้นมาแต่ถ้าเราเอาเงินไปซื้อของฟุ่มฟือยไปซื้อความสุขต่างๆอันนี้ไม่เป็นบุญเพราะไม่ได้เกิดความสุขใจไม่ได้เกิดความอิ่มใจ แต่กับเกิดความหิวเกิดความอยากขึ้นมาเราจึงไม่ได้เรียกว่าบุญเราเรียกว่าทุกข์เอาเงินเอาใช้เงินเพื่อซื้อความสุขนี้เป็นเรื่องของความทุกข์ถ้าต้องการเอาเงินมาให้ทำใจให้เรามีความสุขเราต้องทำบุญอย่างที่ญาติโยมทั้งหลายได้มาทำกันในวันนี้ญาติโยมได้นำมาเอาเงิน มาทำบุญที่วัดด้วยการไปซื้อเท่าของจำเป็นต่างๆเช่นอาหารยารักษาโรคเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีพแล้วก็นำเอามาถวายให้แก่พระภิกษุที่อยู่ในวัดนี้ทำแล้วก็จะเกิดความอิ่มใจสุขใจแล้วก็จะได้ไม่ต้องมา วุ่นวายกับการหาเงินหาทองให้มากๆาแต่หาก็หาเท่าที่จำเป็นหาเพื่อมาเลี้ยงชีพเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็พอแต่ถ้าหามาแล้วได้มากเกินความต้องการก็เอามาทำบุญถ้าหามาแล้วไม่มีเหลือที่จะมาทำบุญก็ไม่ต้องทำบุญเพราะว่าการทำบุญนี้เราต้องการ กำจัดเงินทองที่มีมากเกินไปเพราะมีเงินทองไว้แล้วมันจะทำให้ใจเราต้องวิตกกังวลต้องคอยดูแลรักษาแล้วก็จะมีกิเลสตันหามาคอยหลอกล่อให้เราเอาเงินไปซื้อสิ่งที่จะทำให้ใจเราเกิดความหิวเกิดความอยากเพิ่มมากขึ้นไป นอกจากการที่จะทำให้เราเกิดความอิ่มใจสุขใจแล้วก็ยังจะทำให้ใจของเรามีความเมตตามีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นก็จะทำให้เราสามารถปฏิบัติธรรมขั้นสูงขึ้นไปได้ก็คือการรักษาศีล ผู้ที่ทําบุญให้ทานี้จะเป็นผู้ที่ไม่ชอบเบียดเบียนผู้อื่นไม่ชอบสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเพราะมีความเมตตามีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขมีความสบายก็จะรักษาศีลห้าได้อย่างง่ายดายคือจะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่เสแสุรยายามาไม่โกหกหลอกลวงนี่คือการรักษาศีลถ้ารักษาศีลได้ก็จะทำให้ใจมีความสุขเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าจะไม่มีความวิตกกังวลกับการกระทำบาป ก, กับผลของบาปที่จะตามมา ผู้ที่รักษาศีลไม่ได้จะมีจิตใจไม่สบายจะมีความวิตกกัววงวลกับการกระทาที่ไม่ดีต่างๆที่ได้ทำเอาไว้แต่ถ้าไม่ได้ทำอะไรที่ไม่ดีใจก็จะเย็นจะสบายมีความสุขพอใจเย็นใจสบายมีความสุขก็จะสามารถทำการปฏิบัติขั้นที่สามได้ ก็คือการภาวนาการภาวนานี้จะทำให้ใจมีความสุขมีความสุขมากกว่าความสุขที่ได้จากการทำทานที่ได้จากการรักษาศีลถ้าเปรียบเทียบเป็นเงินทองความสุขที่ได้จากการทำทานก็เหมือนได้เงินมาได้ธนบัตรใบละยี่สิบใบละห้าสิบมา ถ้ารักษาศีลได้ก็เหมือนกับได้ธนบัตรใบละร้อยถ้าภาวนาได้ก็จะได้ธนบัตรใบละห้าใบละพันหลังนั้นถ้าเราสามารถหาธนบัตรใบละพันได้เราก็ไม่ต้องไปเสียเวลากับการหาธนบัตรใบละ20บใบละร้อยเรามาภาวนาเราจะได้ความสุขมากกว่า แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่รักษาศีลเพราะการภาวนานี้ก็เป็นการรักษาศีลในตัวเวลาภาวนาใจเราสงบเราก็จะไม่ไปทำบาปทากรรมดังนั้นการภาวนานี้จะทาให้เรารักษาศีลไปในตัวด้วยแต่ก่อนที่เราจะภาวนาได้เราต้องรักษาศีลให้ได้ก่อน พรถ้าเรารักษาศีลไม่ได้ใจเราจะวุ่นวายจะทําให้การทําใจให้สงบนี้ลําบากดัง น, น, นั้นเวลาที่เรานั่งสมาธิกันแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่สงบเราก็ต้องสํารวจ ด, ดูว่าเราทําบากรายังทําบาปอยู่หรือเปล่าถ้าเรายังทําบาปอยู่ใจจะสงบยากแล้ยิ่งถ้าเราไม่ได้ทําบุญให้ทานด้วย จะยิ่งไม่สมงบใหญ่เพราะใจของเรายัางจะวุว่นวายกับการคิดหาเงินหาทองคิดใช้เงินใช้ทองคิดการรักษาดูแลเงินทองอันนี้ก็จะเป็นอุปสรรคต่อการทำสมาธิทำใจให้สงบผู้ที่อยากจะได้สมาธิอยากจะได้ความสุดมากๆจึงออกบวชกัน พอเวลาออกบวชแล้วก็จะได้ไม่ต้องมากังวลกับการหาเงินหาทองกับการใช้เงินใช้ทองกับการดูแลรักษาเงินทองก็จะมีเวลาที่จะได้มาทําใจให้สงบได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องมาวิตกกังวลกับบาปกังที่ได้ทำอาไว้เพราะจะรักษาศีลได้บริสุทธิ์ ไม่ต้องไปกังวลกับวิบากกรรมต่างๆ <_ d ata> ผู้ที่อยากจะได้ความสุขที่เกิดจากการภาวนามากๆ ก, ก็จะต้องออกบวชกันแต่ในเบื้องต้นนี้ยังไม่ต้องออกบวชในเบื้องต้นนี้เราทำในฐานะที่เราเป็นคารวะาญาติโยมไปก่อนแต่เราต้องหาเวลามาทำให้ได้เช่นแทนที่จะ เ, เวลา ไปหาเงินหาทองไปใช้เงินทองซื้อความสุขต่างๆเช่นไปดูภาพยนตร์ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเราก็งดการออกไปเที่ยวนอกบ้านแล้วเราก็อยู่ในบ้านหาที่สงบหามุมสงบนั่งสมาธิกันไม่ดูหนังไม่ดูละครไม่ดูโทรทัศน์ไม่ฟังเพลง ไม่หาความสุขจากสิ่งต่างๆจะหาความสุขจากการภาวนาทาใจให้สงบถ้าอยากจะภาวนาได้ผลดีก็ควรรักษาศีแปดเพราะรักษาสีหานี้ไม่มีกำลังพอที่จะอยู่ความอยากหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้แต่ถ้ารักษาสีแปก็จะมี ลวกันไว้ไม่ให้ออกไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นสีลข้อสามก็จะเป็นอภรรมจาริยาก็คือจะละเว้นจากการร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนสีลข้อหกก็จะละเว้นจากการรับประทานอาหารมากจนเกินไปการรับประทานอาหารนี้รับถึงเที่ยงวันก็พอเพียง ตอบความต้องการของร่างกายแล้วไม่ต้องรับประทานรู้เย็นมืดดึกอันนี้เป็นการรับประทานมากเกินไปเป็นการหาความทุกข์ไม่ใช่เป็นการหาความสุขจะทำให้ไม่มีเวลามานั่งสมาธิแล้วก็ไม่หาความสุขจากการดูหรือฟังพวกบันเทิงต่างๆ ไม่หาความสุขจากการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งกายด้วยเสื้อผ้าอภารรท์ที่สวยงามวิจิตรพิสดารด้วยเครื่องสำอางด้วยน้ำหอมน้ำมันต่างๆแล้วก็ไม่หาความสุขจากการหลับนอนมากจนเกินไปด้วยการไม่นอนบนฟูกหนาๆเพราะเวลานอนฟูกหน า, หนามันจะมีความสบาย เวลาร่างกายได้พักผ่อนพอเพียงถึงขึ้นมาแล้วก็จะไม่อยากลุกขึ้นมาก็อยากจะนอนต่อก็จะทําให้ไม่มีเวลาที่จะมานั่งสมาธิมาทําใจให้สงบแต่ถ้าถือศีลแปดได้แล้วก็จะมีเวลาว่างที่จะมานั่งสมาธิได้ก่อนที่จะนั่งสมาธิให้ได้ผลก็จําเป็นจะต้องสร้างเครื่องมือขึ้นมา อ็มือนี้เรียกว่าสติถ้าไม่มีสตินี้นั่งไปใจก็จะลอยไปลอยมาจะคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้จะไม่อยู่กับการบริกรรมพุทโธพุทโธถ้าอยากจะให้ใจสงบใจต้องบริกรรมพุทโธอย่างเดียวแต่ถ้าใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะไม่มีความสงบได้ดังนั้นก่อนที่จะมานั่ง บริกรรมพุทธโธเราก็ต้องบริกรรมพุทธโธไว้มาก่อนพยายามดึงใจไม่ให้ไปคิดเรื่องต่างๆนาน า, น า, นาให้คิดอยู่แต่การบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนจะอาบ น, าน้ำจะกินข้าวจะแต่งเนื้อแต่งตัวกว่านบ้านถูบ้านซักผ้าทำอะไรต่างๆที่ไม่ต้องใช้ความคิด เราก็ให้ใช้พุโทโธพุธโทโธกำกับไปกับการกระทำของเราถ้าเราทำอย่างนี้ใจของเราก็จะมีสติจะตั้งอยู่ในปัจจุบันจะไม่ลอยไปในอดีตไม่ลอยไปในอนาคตพอเรามีสติแล้วเวลานั่งสมาธิบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปไม่นานใจก็จะเข้าสู่ความสงบ พอเข้าสู่ความสงบได้แล้วก็จะพบกับความสุขความอิ่มความพอที่เต็มร้อยความสุขความพอที่เราได้จากการทำทานจากการรักษาศีลนี้ยังไม่เต็มร้อยแต่ถ้าใจสงบแล้วจากการนั่งสมาธิจะได้ความสุขที่เต็มร้อยเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่จะทำให้เราไม่หิวไม่อยากได้อะไร แต่เป็นความสุขที่ชั่วคราวเพราะหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วความสความสุขนี้ก็จะค่อยๆจางหายไปถ้าอยากจะรักษาให้ความสุขนี้คงอยู่ต่อไปก็ต้องควบคุมความคิดไม่ให้คิดไปในทางความอยากเพราะเวลาคิดอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จะทำให้ความสงบที่ความสุขนี้จางหายไป การที่จะไม่คิดไปในทางความอยากเราก็ต้องพิจารณาว่าสิ่งที่เราอยากได้ต่างๆนั้นมันไม่ได้ให้ความสุขกับเรามันให้ความทุกข์กับเราเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ถาวรมันไม่เที่ยมแท้มันไม่แน่นอนเราอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แต่พอเราได้มาแล้วแทนที่จะสิ่งนั้นจะให้ความสุขเราไปตลอด สิ่งนั้นก็อาจจะเปลี่ยนไปได้ได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็เกิดชำรุดเสียหายได้เวลาเกิดชำรุดเสียหายขึ้นมาก็จะไม่สามารถให้ความสุขกับเราได้เช่นอยากได้โทรทัศน์พอซื้อโทรทัศน์มาเวลาโทรทัศน์ไม่เสียก็ดูตัดสิ่งต่างๆได้ความสุขจากสิ่งที่ดูได้แต่พอเวลาทวารทัศน์เสียไป ก็จะไม่สามารถได้ความสุขอีกแล้วแล้ถ้าซ่อมไม่ได้ก็ต้องทิ้งโทรทัศน์นั้นไปถ้าไม่มีเงินซื้อโทรทัศน์เครื่องใหม่ก็จะมีแต่ความทุกข์พ่ออยากจะดูแต่ไม่ได้ดูนั่นเองหรือคนที่เรารักคนที่เราหามาเป็นคู่ครองของเราเวลาเราได้เขามาถ้าเขาทำตามใจเราเราก็มีความสุข แต่เวลาใดที่เขาไม่ทําตามใจเราเวลานั้นเราก็จะมีความทุกข์หรือเวลาที่เขาจากเราไปความสุขที่ได้มาก็จะหายไปเราจะไม่เรียกว่าเป็นความสุขเราเรียกว่าเป็นความทุกข์เพราะไม่ถาวรไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีการเจริญมีการเสือ่อมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็เป็นสิ่งที่เราบังคับไม่ได้ห้ามไม่ได้ ไม่อยู่ภายใต้อำนาจของเราที่จะสั่งให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ตลอดไปนี่คือปัญญาที่เราต้องใช้ในการพิจารณาเวลาที่เราอยากได้สิ่งใดก็ตามถ้าเราเห็นว่าเขาเป็นทุกข์เพราะว่าเขาไม่เที่ยงเขาไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบั ง, บงคับของเราเราก็จะไม่อยากได้พอเราไม่อยากได้ ความสุขที่ได้จากความสงบก็จะกลับคืนมาใหนี่คือวิธีรักษาความสุขที่เราได้จากการนั่งสมาธิเราต้องใช้ปัญญาคอยสอนใจให้หยุดความอยากต่างๆให้เห็นว่าความอยากนี้เป็นสิ่งที่อยากได้นี้เป็นความทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุขไม่ควรอยากได้ถ้าเราเห็นแล้วเราก็จะไม่อยากได้อะไร พราไม่อยากได้อะไรใจของเราก็จะมีความสุขความอิ่มไปตลอดนี่คือการปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติเพื่อความสุขที่ถาวรที่แท้จริงและเพื่อการดับความทุกข์ต่างๆเกิดขึ้นจากการปฏิบัติทำสามข้อนี้คือทานศีลและภาวนาไม่มีใครปฏิบัติให้กับเราได้ เราต้องเป็นผู้ปฏิบัติกันเองอัตาหิอัตโนานาโถตนเป็นที่พึ่งของตนจึงขอฝากเรื่องของดารมาวัดเพื่อมาสร้างความสุขที่ถาวรมาดับความทุกข์ทั้งหลายให้หมดไปจากใจด้วยการทำบุญทำทานรักษาสิงภาวนาให้ท่านได้นำเอาไปพิณิพิจารณาและปฏิบัติ